ตั้งใจฟังให้ดีจะเทศให้ฟังเอาความรู้สึกแนบไปอย่างนั้นแหละคอยรู้ความรู้สึกยเรื่อยไม่ต้องบังคับให้คอยเฝ้าดูเรื่อยไป ธรรมะของพระพุทธเจ้ามากมาย8ปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์หรือ8 000, 4 0แปดหมนสี่พันหัวข้อหรือแปดหมนสี่พันหมวดมากมายกายกองถ้าเราจะปฏิบัติ <c oughs> ให้หมดทุก ส่วนตามคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นชาตินี้ก็ไม่จบต้องอีกหลายชาติถึงจะจบแต่สำหรับพวกเราที่มาปฏิบัตินี้เอาส่วนเดียวเอาเพียงกำหนดลมหายใจใเข้าออกเท่านั้นเอง ก็สามารถเห็นอดเห็นธรรมของคนเจ้าด้วยใจของแต่ละคนไม่ต้องเอามากเอาแค่ลมหายใจเข้าออกเท่า น, นี้ก็พอพอเพียงสำหรับที่จะทำจิตติ่ฟุ้งซ่านหรือไม่เห็นอดเห็นธรรมให้เกิดความรู้ความเห็นเห็นอดเห็นธรรมเห็นคำสอนของพทิเจ้าขึ้นมาในใจของเรา ใจของเราปกติยอมมีกิเลสสำหรับผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นย่องมีกิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสคือราคะกิเลสคือโทสะกิเลสคือโมหะอันนี้เป็นกิเลสต่ทำไมจึงว่ากิเลสเพราะกิเลสนั้นเป็นของเศร้าหมองเป็นเหตุทาให้เศร้าหมองขุนมัวไม่แจ่มแจ้ง ไม่ชัดเจนไม่เห็นอาจเห็นทำมีแต่ความเลีวล่ายทุกประการลาะก็เลวล่ายโทสะก็เลวล่ายโมหะก็เลี้ยวล่าย ท, ยายายายทใจของเราให้ตกต่ําสู่ภูมอันต่ําอํานาจของกิจที่มีกิเลสครอบงําอยู่ไม่เป็นอํานาจอิสระ ไปตามอำนาจของความชั่ว้ายทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามกิเลสยอมเป็นเจ้าเป็นใหญ่ควบคุมกิจใจของเราให้ทำให้พูดให้คิดแต่ในทางที่ไม่ดีกิเลสเนี่ยเป็นตัวร้กาดพระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีแปดหมื่น สร้างวลมีเสียทรงไขรกับแสนมากับนับเตลย์แล้วละพยากรจากองพุทธเจ้าทรงพนามว่าทีปังกรก็ต่อสู้กับกิเลสนี้มาเรื่อยๆต่อสู้กับราคาโทสะมูห่านียมาตลอดก่าจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องพยายามมากมายหลายปีหลายเดือน เนเวลาตั้งหกปีจึงได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ อ, องค์จึงพ้นจากกิเลสใจพระ อ, องค์จึงผ่องใสไม่มีกิเลสเข้าไปครอบงํากิจใจมันเป็นหน่าเจ ร, ริ์จิตนะพระพุทธเจ้า อ, องค์ชำระกิเลสออกจากใจได้ไม่ให้กิเลสเป็นเจ้าเป็นใหญ่เนื้อหัวใจ พระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสพระอรหันต์ก็ไม่มีกิเลสพระอรหันต์คือผู้ฟังธรรมของพระเจ้าปฏิบัติจนหลุดพ้นเป็นพระริบบุคคลท่านสูงสุดคือพระอรหันต์ก็ไม่มีกิเลสในใจเหมือนกันกิเลสทาอะไรไม่ได้ใจของท่านเหล่านั้นหรือของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอริยสงฆ์เจ้าก็ดีเป็นใจที่ประเสรศิฐ เป็นใจที่สูงส่งด้วยคุณสินคุณธรรมความงามความดีมนี่แหละพวกเราก็เห็นว่าทำคำสอนพระเจ้าประเสริฐเป็นของดีเราจึงได้มาปฏิบัติกันยอมสละทุละหน้าที่ต่างๆม า, น, า, านีจากวานจากเดือนมาตั้งเกียตวันแปดวันนั่นแหละ กิเลสมันเป็นเจ้าเป็นใหญ่เราต้องมาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ทำคําสอนของพุทธเจ้านั้นมีอยู่ในใจของเราไม่ใช่มีอยู่ในที่อื่นอยู่ในตู้พระพี่ปิกเรามีไว้ตู้พระไตรปิกเราจําได้ทั้งหมดรู้ทั้งหมด ก็ไม่บรรลุได้ทําไม่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมทำยังไงก็มาหัดกิตให้สงบนี่แหละพอกินเราสงบแล้วเราก็จะมองเห็นคําสอนของคนที่เอวชัดเกีย์ในใจของเราขึ้นมาอีกที่หนึง่งตอนที่เรายังไม่มีมากมีผลนั้นเราฟังเราอ่านเราก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งเท่าไหร่ ก็ธรรมดาธรรมดาแต่พอผ่านพ้นการปฏิบัติขึ้นเป็นพระอารหันต์อย่างนี้หรือพระรียวกว่าคนตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอารหันต์จะเข้าใจเกี่ยมแจ้งในธรรมของคนเช้าชัดเจนอย่างยิ่งในใจรู้ชัดในใจเลยแบบนี้ไม่ใช่ว่ารู้ธรรมดา เราเรียนรุ่นในตำราคัมภีอันนี้ก็เป็นการถูกต้องอยู่แต่ว่าไม่สามารถทราําระจิตให้บริสุทธิ์ได้แต่ก็ดีดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีการเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระอาจา ก, ก็เป็นไปเพื่อที่จะนําไปปฏิบัตินั่นแหละเราปฏิบัติตามนั้นก็ถือว่าดีอยู่แต่อย่างสู้การปฏิบัติไม่ได้ ถ้าปฏิบัติเนี่ยจิตใจของเราจะสงบเยอกเย็นสบายไม่กังวลไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ภายในดี่ว่าเราวางโลกได้โลกคือความวุ่นวายสับสนรุงยากมีปัญหาเราวางได้เราไม่สนใจเราไม่ใส่ใจ เราสามารถทําใจให้วุน่นให้ที่วุ่นวายให้เป็นใจที่สงบสงัดให้เป็นใจที่มีธรรมะอยู่ภายในนั่นแหละประเสริญแล้ววันนี้เราต้องหัดต้องหัดใจของเราให้เป็นไปตามแนวทางที่พุทธเจ้าทรงเสีงไว้หัดใจให้เป็นสมาธิ หัดใจให้เกิดปัญญาหัดใจให้เป็นสมาธิก็คือเราหัดนี่ได้วันหนึ่งแล้วกับหน่อยหนึ่งเมื่อวานนี้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นนับหนึ่งวนันนี้นี่แหละเราปฏิบัติเราฝึกหัดเราเอาใจใส่ในคำสอนหรือวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องที่สุด ให้ดีที่สุดให้สามารถรู้เห็นมีสติปัญญารู้เห็นตัวของตัวเองรู้เห็นใจของเจ้าของตลอดเวลาลมหายใจเข้าเราก็เห็นก็มีความรู้สึกว่าเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็เห็นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกอยู่อย่างเนี้ยจนกว่าจิตของเราจะสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วก็ ไปพิจารณาเอาความสงบนั้นไปพิจารณาตัวตนของเราพิจารณาร่างกายของเรานี่ยแหละผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตาปอดเสยใหญ่เส้น้อยอาหารใหม่อาหา ร, หาหารเก่านี่เอามาพิจารณานี่แต่เราแต่เราต้องทําจิตให้เป็นสมาธิก่อนถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิ พิจารณามันก็ไม่เห็นพิจารณามันก็ไม่รู้ไม่แจ่มแจ้งไม่ชัดเจนในใจไม่สามารถละในสิ่งที่ควรละได้ถ้าใจเราสงบแล้วนี่เราสามารถเข้าใจในอดในธรรมได้สามารถทำลายกิจที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้สามารถทำลายกิจที่วุ่นวายให้หายจากความวุ่นวายได้จิตกระสับกระสายนุ่นหนี่่ต่างๆ เราสามารถชำระกิจเหล่านั้นให้สงบให้เป็นหนึ่งให้เป็นภูมิไม่มีกิเลสครอบงำได้ถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็เป็นทางดียิ่งทีเดียวในการที่ว่าเราจะทำการให้เจริญก้าหนานแก่ียตัวเราโดยการเข้าไปกำหนดรูเข้าหลุดรูดลม ลมก็เป็นกายอันหนึ่งดินน้ำลมไฟลมคอยรู้ลมคอยชาระจิตที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยด้วยการไปรู้ลมเมื่อเรามีสติรู้ลมแล้วจิตเราก็เป็นสมาธิสมาธิคือตั้งเที่ยงตั้งมั่นจิตเราตั้งเที่ยงตั้งมั่นตัวเองกัขตาลมมีอารมณ์อันเดียว ไม่คิดเรื่องอื่นในฟุ้งซ่านไม่ส่งไปตามอารมณ์ต่างๆจะคอยรู้คอยเห็นความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลาลมเข้าเราก็รู้ลมออกเราก็รู้มีสติอยู่ตลอดนี่เรีกวาภาวนาเป็นแล้วถ้ามาเช่นนั้นก็ยังไม่เป็นคือยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าว่าเราสามารถรู้ว่า อ, อความสงบเป็นอย่างนี้ความไม่สงบเป็นอย่างนี้นั่นเรียกว่ารู้ใจของเจ้าของ ต่อไปล้วก็รู้ว่ากิเลสเนี่ยราคามันไม่ดียังไงโทสะมันโลภะมันไม่ดียังไงโทสะมไม่ดียังไงโมหะไม่ดียังไงกิเลสสามตระกูลนี่ตระกูลโลภะตระกูลโทสะตระกูลโมหะนี่มันก็อยู่ในใจของแต่ละคนนั่นแหละถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วมันสามารถชำระชำระใจที่มีกิเลสนะให้ไม่มีกิเลส ท่านจึงเรียกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์แปลว่าผู้ไม่มีกิเลสหรือผู้ห่างไกลจากกิเลสหรือกิเลสห่างไกลจากพระอรหันต์เนี่ยพวกเราจะถึงพระอรหันต์ได้ไหมได้ถ้าตั้งใจปฏิบัติถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วต้องได้พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่าพระผู้ใดปฏิบัติตามทำของเราแล้วไม่ได้ไม่มี ไม่มีตัดไว้ที่ไหนมีแต่อกาลิโกไม่ประกอบด้วยการเราปฏิบัติเวลาไหนก็ปฏิบัติได้เดินอยู่ก็ปฏิบัติได้นอนอยู่ก็ปฏิบัติได้ทำธุระหน้าที่อยู่ถ้าไม่ถ้าพอหาปีกเวลาได้ก็หาทางแก้ไขโดยการปฏิบัติกำหนดรู้ลมสักนิดหนึ่งก็ยังดีนี่แหละเราทำได้แล้วเราทำเปแล้วทำจนชำนาญ ถ้าชำนาญแล้วมันไม่ไปหรอกทางอื่นมันไปทางธรรมนั่นแหละธรรมะเข้าไปเลี้ยงใจธรรมะนี่เป็นอาหารของใจอร่างกายนี่เป็นอาหารของข้าปลาอาหารอืกายนี่ร่างกายนี่นมีปลามีอาหารมีข้าวมีน้ํากินอ่าจึงจะเจริญอยู่ได้หรือจึงจะมีสุขได้ แต่ว่าใจนี่จะเจริญได้ก็ต้องมีธรรมะเมื่อมีธรรมะอยู่ภายในก็เจริญขึ้นได้ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนนกายนี่จะเดือดร้อนอยู่กจีกแต่ใจไม่เป็นไรใจก็วางเสืออยู่ได้สงบอยู่อย่างนั้นมีความแน่นิ่งอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สงสัยวุ่นวายไปในที่ต่าง ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่บ้านก็ตามอยู่ที่ทำงานก็ตามหรืออยู่วัดว่าอาลามก็ตามถ้าเราสามารถกำหนดรู้ใจของเราได้ว่าขณะนี้ใจของเราฟุ้งซ่านว่าขณะนี้ใจของเราสงบถ้าเรารู้ได้เราคอยดูว่ามันฟุ้งซ่านเพราะเหตุอะไรมันฟุ้งซ่านมันคิดไม่ตกมันไม่สงบเป็นหนึ่งได้เป็นเพราะอะไร ให้คอยดูจุดนั้นเราจับปั๊บเข้าไปมันเขาแสดงตัวให้เราเห็นพอแสดงตัวให้เราเห็นเราก็สามารถชำระได้อ๋อมาจากเหตุนี้มาจากเรื่องนี้มาจากเรื่องนี้แล้วก็คอยดูคอยดูคอยดูอะไรคอยดูลมพอคอยดูลมแล้วปับ๊บกิเลสก็จะถอยออกจากใ่ถอยออกจากใจของเรา พอใจสงบปั๊บกิเลสก็ดูไม่ได้มันร้อนกิเลสก็หนีไปแต่เราพู้งซ่านอีกมันก็มาอีกจนกว่าจะได้เป็นพระรหันต์จึงหมดหน้าที่ในการที่จะสําระกิเลสแต่ก็ใช่ว่าท่านทอดทิ้งในการปฏิบัติการปฏิบัติก็เหมือนหน้าที่เจ้าจหน้าที่ต้องทําหน้าที่ไปคอยรู้คอยดูคอยเห็นอยู่เรื่อยอืม แต่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแต่ปฏิบัติเพื่ออยู่เย็นเป็นสุขของท่านเองเนี่ยเป็นอย่างนี้ด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมนี่หวังความสงบเย็นใจจากทำคำสอนของพระธเจ้าเราไม่เรียนทุทธศาสนาเลย เราไม่ได้ท่องได้บ่นพระพุทธศาสนาเลยแต่เราสามารถดูความรู้สึกของเราว่าอยู่หรือไม่อยู่สงบหรือไม่สงบสงบเพราะเหตุไรไม่สงบเพราะเหตุไรเรารู้อยู่เพียงเท่านี้แหละก็าสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์ไว้ได้เป็นพระเลียงผู้คนในพุทธศาสนาได้ถ้าว่าเราทําเป็นพอเราทําเป็นก็จะเห็นว่ามันโอ้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เราก็จะรู้ชัดขึ้นมา ทำไมถึงดูเพราะจิตเราได้รับความสงบ ป, ปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดก็สามารถที่จะชำระกิเลสได้นั่นกิเลสที่มันฝังลึกอยู่ในหัวใจของเรานับภพบนับชาตินับกับนับกันไม่ท้วนที่เราต้องเกิดแก่เก็บตายมานี่นานแสนนานนับประมาณไม่ไหวน้าตาของคนที่ร้องไห้น้าทะเลมหาสมุทรทั้งสี่นี่น้อยไป น้อยกว่าน้ำตาของเหล่าผู้ทุกข์ทุกตองแล้วหรือเวียนว่ายตายเกิดในวันสงสารนี่ผู้มีทุกข์ทุกตองแล้วนี่มีทุกข์มีน้ำตาไหลน้ำตาสองข้างไหลออกนี่นับเอามารวมกันแล้วน้ำทะเลมหาสมุทรทั้งสี่นี่ยังน้อยไปกว่าน้ำตาของเหล่าผู้หนึ่งที่ท้องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดไปในวัตจสงสารจนกว่าจะบนจากทุกจากทุกจากโทษจาก บาปจากอกุศลต่างๆเหล่านี้กว่าเราจะพ้นจากทุกจากโทษเหล่านี้ไปได้เราต้องลองให้เราต้องละทมตมใจต่างๆจนน้ำตาของเรามากมายไ ก, ยก่ของป่านนั้นแหะด้วยเหตุนี้ขอให้คิดว่าเรามาปฏิบัติธรรมมาชำระ จ, จิตใจ ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ก็ให้ทําตามวิธีที่ได้บอกได้สอนไว้แหละครูบาอาจารย์ก็ช่วยบอกช่วยสอนช่วยแนะนําำช่วยให้ญาติโยมผู้มาปฏิบัติได้บรรลุอุณาธรรมหรือว่าได้เห็นธรรมะด้วยตัวของตัวเองแต่เอาหลักคาสอนมาปฏิบัติแล้วก็เกิดรู้เกิดเห็นเกิดเข้าใจเกิดมีความสงบเยือกเย็นขึ้นมานะ ใจก็รวมเป็นหนึ่งม่ฟุ้งซ่านส่งไปในที่ต่างๆใจสงบใจเย็นใจสบายสบายน้อยก็มีทุกข์มากอยู่ถ้าบายสบายมากทุกข์หมดไปทุกข์ดไปจากใจของเราทุกข์เพราะความเกิดทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเก็บทุกข์กเพราะความตายทุกข์เพราะความโศกเศร้าเสียใจร้องไห้พี่หลายลำพัน ที่อกชกตัวเนี่ยนี่คือทุกทุกเป็นของยังไงอ่ะทุกเป็นของคนกําหนดรูปให้กําหนดรูปทุกว่าเรานี่เกิดมาในมีทุกมีความเกิดเป็นทุกขความแก่เป็นทุกความเก็บเป็นทุกความตายเป็นทุกให้เห็นอย่างนี้ตลอดอืความวัดภาคยากันไปก่อเป็นทุกอืม ให้เห็นทุกข์ว่ามีอยู่ในตัวเรานี้เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมก็มาชำระจิตที่ไม่บริสุทธิ์นี่แหละให้บริสุทธิ์จิตที่มีทุกข์นี่ให้จิตไม่มีทุกข์เรียกว่าพ้นทุกข์ผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้ต้องปฏิบัติธรรม ป, ร ป, รปฏิบัติธรรมก็มไม่มีอะไรมากก็อคอยดูลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองจิตเราก็จะสงบขึ้นมา ถ้ากินถึงหกแล้วเอาไปพี่นานหนมือแก้งชัดไปหมดนั่นแหละดีไปหมดมันทรุปูโปปง่ดูเรื่องนั้นมันก็ เ, ออนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปเนาะเหมือนน้ำในรอยโคถูกแสงพาทิต์นิดหน่อยก็เกิดแห้งหายไปหรือน้ำในบนยอดหญ้าดูดูนี้แหละหมอกลง ตอนเช้านี่จะเห็นน้ำค้างบนยอดหญ้าใสปิ้งเลยเวลาไปเกี่ยวข้าวไปทำไรทำนาเน่นั่นะหนาวเย็น ไ, ไม่มีความผ้าจะห่มจะอุ่นจะสบายอย่างนี้หรอกมีพอได้นุ่งได้ถือไปแขนดีนี่แหละเราเกิดมาบางชาติก็ร่ำรวยบางชาติก็ยากจนแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัย ผู้ใดทำบุญทํากุศลไว้เกิดมาก็ไม่ยากไม่จนไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีอยู่มีกินมีเสื้อผ้าอาภรณ์มีเครื่องใช้เครื่องสอยไมบวไม่อดไม่อยากไม่ลําบากลําบนเป็นคนที่มีเงินมีทองมีทรัพย์สินสมบัติมากมายอันนี้เกิดจากการที่เราเกิดเป็นคนแล้วไม่ประมาทเกิดเป็นคนไม่ประมาท ก็คือทําบุญทํากุศลไว้อยู่เรื่อยๆให้ทานให้ทานรักษาศีลปฏิบัติภาวนานี่ตัวทําทความดีไว้อยูเรื่อยๆความดีก็ส่งเสริมให้มีความสุขให้มีเงินมีทองให้มีลาภมียศมีชื่อเสียงเกียร ต, ติคุณตัวบ้านตัวเมืองหะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลของคุณนั้นคนนั้นทําบุญทํากุศลไว้จึงได้ร่ารวย ผู้ที่ไม่บริจาคทานเนี่ยเกิดมาชาติไหนพบไหนก็เป็นคนยากคนจนไม่มีเงินไม่มีท้องไม่มีข่าวมีของไม่มีอยู่มีกินอดอยากลำบากที่สุดโดยเฉพาะยังยิ่งไปเห็นที่ประเทศอินเดียแล้วโอ้โหนารสรดจังเวัคนขอทานแต่มันก็เป็นมาขอทั้งหมดหรอกบางคนก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนั่นแหละเป็นเจ้าเป็นใหญ่นั่นแหละแต่ว่าคน ส่วนที่เป็นเรียก ว, ว่ามันลำบากมากแหละพวกที่ลําบากลําบากมากนอนอยู่ตามสนุนคนทางอตาไปเห็นแล้วเกิดความโสดสังเวชเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เพราะว่ามันไม่ได้กินในฐานมันไม่ได้สร้างน้ำำําทําบุญไว้เลยมันไม่ได้ทําความดีอะไรไว้เลยจะให้มันมั่งมีที่สูงร่ํารวย สูงว่าเรามีเงินร้อยล้านพันล้านเราไปให้เขาสักสิบล้านเนี่ยให้เขาหยุดขอทานมันมันก็หยุดไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้จากทางดีไม่รู้จากทางชั่วได้ไปก็ใช้ไม่เป็นสุรุ่ยสุลายนั่นแหละมันไม่รู้จากดีมันไม่รู้จากชั่วมันไม่รู้จากบาปไม่รู้จากบุญก็มารับใช้ชาติใช้กรรม ถ้าจะพัฒจะพูถ้าเรามาเกิดเป็นคนยากคนจนอย่างนั้นก็จะโทสลดสังเวชใจแลวถ้าเกิดมาได้มาเป็นคนแบบนั้นอันนี้เขาไม่กได้กินได้ฐานไม่ได้สร้างน้าทำบุญไว้คนที่สร้างน้ำทำบุญไว้เกิดมาชาติไหนพบไหนก็เป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทอง ไ, ไม่อดไม่ยาก ต้องการรายได้หมดสมใจปรารถนาทุกอย่างแต่ถ้าประมาทเกิดชาติใหม่ก็ จ, จะเป็นคนยากจนก็ได้หรือบางทีไม่ต้องเกิดชาติใหม่แหละชาตินี้แหละมีเงินมีถอมากมายไม่รู้จะเก็บจากซ่อนไม่รู้จักเอาฝากธนาคารไว้ไม่รู้จะทาอะไรไม่จากทําบุญทําทานเลยทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นก็ค่อยสูญไปพเพราะเราเพราะเบี้ยเพราะสิเงินอื่นต่างๆ ให้ที่สุดก็กลายเป็นคนยากคนจนในชาตินี้ปัจจุบันนี้ทีเดียวนี่แหละคือเราเรานี้มันนี้ก่อนเราแต่เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไม่เคยทาบุญไว้เลยอันนี้เราก็จะหนีก่อนมันนีไปก่อนนี่แหละขอคิดดูให้ดีคนเกิดมาไม่กินไม่ทานไม่สร้างน้ำตามบุญนี่มันไม่ร่ำไม่รวยหรอก แต่ให้มันล่ำรวยก็ล่ำรวยไม่ได้พอบุญไม่มีถื้อคนออกมาให้มากมายก็ใช้จ่ายไม่รู้เหตุผลไม่ถูกต้องตามเหตุตามผลก็สิ้นทรัพย์สิ้นเงินสิ้นทองไปเมื่อนลูกเศรษฐีสี่คนลูกเศรษฐีสี่คนพ่อแม่ตายไปอ่าเขาก็มอบความเป็นเศรษฐีให้ทั้งสี่คนนั่นแหะ ี่นี่เป็นคนรวยเป็นคนมีเป็นคนไม่อดไม่ยากอแต่ว่าไม่ได้มีศีลมีธรรมไม่รู้จับกบัพบุญคุณโทษพอได้ทราบเราก็ปรึกษากันว่าเราจะทํำยังไงกับทรัพย์สินเหล่านี้คนหนึ่งก็เสนอขึ้นว่าให้มีเอาซื้อเหล้ากินซื้อเหล้ากินซื้อเหล้าซื้อเหล้ามากินอีกคนหนึ่งก็เสนอว่าเอา กับแก้มมากินด้วยมันถึงจะมันถึงจะเข้าท่าอีกคนหนึ่งก็เสนอไปเสนอไปจนถึงว่าครบสี่คนอีกคนหนึ่งพูดว่าเอาผู้หญิงมาเกี่ยวข้องด้วยลูกเมียให้ก็ตามจ้างมา ซื้อมา บ, บรุงบำเหน็ต่อมาทรัพย์สินสมบัติที่มีอยู่ทั้งนั้นก็หมดไม่หมดไปในที่สุดกลายเป็นคนยากคนจน น, นั่นี่เขาเรียกว่ามีทรัพย์แล้วรักษาทรัพย์พยไม่เป็นใช้ทรัพย์ไม่เป็นน่าจะใช้ทาบุญทากุศลน่าจะใช้ยุดใช้กินตามสมควรแก่เหตุแก่ผล แต่ก็ใช้ไปในทางผิดทําไปในทางที่ไม่ถูกต้องในที่สุดตายไปก็เป็นคนยากจนแล้วตายไปก็ไปเกิดในโลหะกลุ่มพีนกรกโลหะกลุ่มพีนรกเป็นนรกที่ที่รองจากอเวจีเป็นนรกน้อยของมหานรกใหญ่คืออเวจีมหานกรากโลหะกลุ่มพีนรกเป็นลูกน้องของเอ ของอวจีมหานนรกถ้าคนไปตกนรกคุ้มนี้ก็มีอายุยืนนี่อายุยืนนานนานมากใครอยากมีอายุยืนแบบนี้ก็เชิญตามสบายทำบาปทำกรรมไปให้มากแต่ทำไป ม, มากก็ได้ไปแหละรู้หาคุมพีนะก็คนที่เขาโยนลงไปในหม้อทองแดงนะ่ะต้มอยู่นะ่ะ เดือดพร่านๆเนยน้นนนานรกเน่ยพอตกลงไปเขาก็อได้หกหมืนปีอหกหมื่นปีโผลหัวขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็ตกลงไปจนถึงก้นหม้ออีกหกหมื่นปีพอครบหกหมืปีก็โผหัวขึ้นมาคนจากน้ํานรก ต่างคนต่างคปรึกษากันต่างคนต่างปรึกษากันถ้าเราเกิดไปนี่เราจะไม่ทำความช่วยเลยเราจะทำแต่สิ่งที่ดีงามเราจะทำแต่สิ่งที่ดีที่ประเสริฐ พูดเป็นคาถานะอัตมาก็จําไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะมาได้ยังไงพูดเป็นคาถาสีาา่คาถาแต่ว่าพอหัวโผลขึ้นไปพับพูดได้แค่คําเดียวยังไม่ครบเสียงครบอัคระฐานก่อนมันพอจบมาร์บลงไปพอหัวโผลพ้พวพนวับขึ้นมาพูดได้ว่าทุเกิด ม, มาทุอย่างเหลือเกินลาบากเหลือเกิน ตัวนาโลกนี่ลำบากเหลืกินนั่นอีกคนหนึ่งโผลขึ้นมาก็พูดสะในสอเสือนี่ก็เป็นชื่อของคาถา น, นั่นแหะอีกคนหนึ่งณนะอีกคนหนึ่งโสเรียกว่าทุสะณนะโสทุสานาะโสเป็นหัวใจปลิต ที่ตกอยู่ในมหารนรกละเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ยังไม่พน้นคนเหล่านั้นยังไม่พน้นยังไม่อยู่ในมหานรกอยู่ลกลัวหากุมีนรกพระเจ้าสรางศัตรูก็ไปตกอยู่ในนี้แหละในลกลัวหากุมีนรกนี่นแหละไม่ได้ตกนรกเหมือนพระเหมือ น, นพระเทวทัตพระเทวทัตตกอวจีมานรกแต่พระ พระเจ้าจะศัตรูเป็นผู้ที่ได้ทําบุญทำบุญส่ไว้ก็เลยพรอหนักเป็นเบาในอุค์ูพุทธศาสนาได้ทาสังขารนาทำวีไนบุญบุญส่วนนะครับมีขึ้นมากแต่ว่าไม่สามารถพ้นจากนรกได้ในที่สุดก็พ้นขึ้นได้ด้วยการที่ว่าได้ทาบุญทาบุญส่ไว้อยู่ไม่ประมาทประมาทแต่เบื้องต้นแต่ตอนนี้ไม่ตอนหลังมาไม่ประมาท นับถือพุทธศาสนาบำรุงพุทธศาสนาอย่างเตรียมความสามารถเหมือนกันก็แต่ก็ไม่พ้นทุก์ยังได้มาเกิดในโลหะคุมพีนรกคือรองจากอเวจีพานรกนี่แหละนี่ฮะวาเรื่องนรกโลหะขุมพีหนุ่มทั้งสามคนนั้นเออทั้งสี่คนเป็นคนรวยเป็นคนรวยเป็นคนมีเงินมีทอง เป็นคนไม่บยากแต่ประมาทไม่รู้จักอินเงินไม่รู้จักใช้ใจ่ายเงินอย่างไรถึงจะเป็นประโยชน์ไม่มีนักปราชญ์บัณฑิตอบรมสั่งสอนก็เลยทำตามไปตามอำนาจความคิดของตัวเองในที่สุดตายแล้วก็ไปตกนรกต่อมาเนี่ยตทุรลกเห็นทุกข์มากทุกข์เหลือเกินทุกข์หาอะไรมานับไ ม, ไม่ได้ไม่ไหวมันมากเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกิน ก็าาพากันปรึกษากันว่าจะทําความดีจึงได้กล่าวควาา่า so ทูสานาโซผู้เรียนประเด็นสามประโยคตอนได้เรียนรู้อันนี้เรื่องนี้ทูสานาโซเป็นหัวใจเปริศคิดกลัวผีเรียกว่าทูสานาโซผีนี้ไปเลยไม่เข้าไกลใจค่อยระวังให้ดีนะถ้าก็แก้ให้ว่าทูสานาโซกันมาเลย พีก็จะหนีไปคนเกิดมาไม่ได้ทำบุญทำกุศลไว้ไม่ได้สร้างความดีไว้เราจะเอาไปได้ยังไงเอาไปไม่ได้ของในโลกนี้เอาไปไม่ได้นอกจากเราทำบุญไว้เราตึงจะเอาไปได้ทำบุญเราอยากคิดว่าทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อที่จะกุศลให้แม่ให้ปู่ให้ญาตาทวดอะไรต่างๆอย่าไปคิด เราทำบุญเราทำให้เราเนี่ยเรามีแล้วเราจึงแบ่งให้คนอื่นต่อไปอีกเรามีบุญนั่นแหละเราถึงได้แผ่ส่วนบุญ ส, ส่วนให้กับคนอื่นให้กับสัตว์อื่นให้กับเทพเทวดาอินพรมเรามีแล้วเราจึงให้ถ้าเราไม่มีเราจะเอาเราไปให้เราต้องมีบุญต้องมีเราทำแล้วมันต้องมีแก่เราบุญนะ บุญคืออะไรบุญคือชื่อของความสุขใครทาบุญไว้คนนั้นมีความสุขคือทางนี้จากโล ก, าก่าวตะสงสารพระอรหรันต์แต่ละองค์ก็เล่าประวัติว่าประวัติของตนเองที่ข้าพระชาได้สาเร็จเป็นพระลานนี่เพราะบุญที่ได้ทำอย่างนี้อย่างนี้ไว้ ให้ทานอันนี้ไว้คนที่ทำบุญแล้วนี่แหละได้ไปสเสวยสุขในที่ประสมบัติออกจากที่ประสมบัติแล้วก็ลงมาเกิดในมนุษย์ได้มาพบพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติธรรมตามความสอนของคุที่เจ้าได้ถึงความสุขความเจริญได้ถึงความสุขความเจริญ ถามว่าบุญที่ทําให้ท่านได้เร็จเป็นพระอรหัน์นี่ท่านได้ทําอะไรไว้เขาพระองค์นั้นท่านก็ตอบว่าเราเป็นนายพรานอยู่ตามป่าคอยหายิงสัตว์ตามป่าวันหนึ่งได้เห็นพระพุทธเจ้านั่งเข้าฌานอยู่พอออกจากฌานก็เลยล่างเออยมะกอกน้ํามากรอ ก, กที่ใส่ส้มตำเนี่ยเอาไปต่อหายพระพุทธเจ้า พอพราพุทธเจ้าได้รับแล้วก็ฉันให้ดูเลยเกวกับดีใจมากทายไปแล้วน่าจะไปตกนรกไม่ได้ไปตกนรกเลยเกี่ยวกับไหนผ่านก็จริงแต่ว่าบุญแกมีเอก็เลยไม่ได้ตกนรกไม่ตกนรกก็ตั้งแต่ชาตินั้นมาไม่เคยตกต่าเลยไม่เคยตกต่ําเลยทํำยังไงยังไงก็ไม่ตกต่ํา มาเกิดเป็นชาติตัวท้ายได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะบุญกุศลเยอะเข้านั้นแหละสามารถนําให้ผลจนเป็นความสุขอย่างเราทํำนี่โอ้ยเราทําไว้มากแล้วเราไม่ประมาทแล้วทำไว่มากนั่นแหละบุญกุศลเป็นอย่างนั้นแหละให้ผลจนถึงที่เราได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์มันถึงเต็มที่บุญให้ผลเต็มที่ได้ว่าได้สาเร็จเป็นพระอริยะบุคคล เป็นภาละหันี่อันนี้สรงของการให้ทานนะมันมากมายกว้างขวางใหญ่โตแต่คนบาปหมาดไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่เลยจากกินจากทานไม่รู้จักสร้างน้ำตำบนลาบากลาบนคนทุกข์ทรมานอันนั้นเป็นคนที่ไม่ได้สร้างสมคุณงามความดีเอาไว้เกิดมาแล้วบาปหมาดไม่พอใจในการให้ทานไม่พอใจในการรักษาศีลไม่พอใจในการบาเพ็ญเพียรภาวนา อันนี้ตกต่ําไม่ได้ผุดได้โพล่ะนรกมีไว้สําหรับนรกมีไว้สําหรับคนชั่วที่ทําบาปทํากรมรมแล้วไปตกนรกอกไม้ส่วนสวรรค์มีไว้สําหรับคนทุกที่ทําบุญทําบุญลนสร้างสมุนไพความดีมันสูงขึ้นไปให้ผลจนตราบเท่าเข้าพระนิพพานนไม่ใช่ธรรมดาบุญทุชนที่เราทําแต่ละครั้งละข่าวเนี่ยมันมีผลให้ถึง หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้เลยนี่แหละเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคนเกิดมาเนี่ยธรรมมาของรุทธเจาพระค์ก็สอนไว้ว่าเพียรเมอนสี่พันระธรรมขันเราก็ปฏิบัติตามเราไม่ต้องเอามากเอาแค่ว่าสามารถทำใจให้สงบได้ก็ถือว่าเราได้ทำความดีในศาสนาอย่างเต็มที่แล้ว ถ้าเราสามารถบรรลุมรรคผลเป็นพระรีบคุคคลโสดาสิตาคา น, นาคาลหันเรายิ่งดีกว่านั้นอีกหลายร้อยหลา ย, ลา ย, ลายพันเท่ายิ่งประเสริฐเลิดล้นน่ะมันเป็นอย่างนั้นการให้ทานนี่ก็สำคัญนะให้ทานแก่คนทุศีลนหให้ทานแก่ปลาแก่สาาัตว์น้ำ เอาะน้ำมันมีน้อ ย, อยมันก็อย่าตายแล้วเราเห็นเราก็เกิดสงสารเมตตาขึ้นมาไปตักน้ำมาเทเพื่อให้มันมีอายุยืนไม่ให้ตายง่ายนี่ไม่ให้ตายง่ายไม่ใตายเร็วนี่ก็ได้บุญแต่ว่าได้น้อยมากแต่ก็ถือว่าเป็นบุญให้คนทุกมสินคนไม่มีสีนก็ได้บุญอยู่แต่ได้บุญน้อย ไม่มากแต่ดีกว่าให้น้ำให้นั่นเก่บปลาแก่สัตว์น้ำให้คนที่มีศีลก็มียนในสงเพิ่มขึ้นมากกว่าคนทุศีลแต่ให้พระให้บุคคลผู้ปฏิบัติเป็นพระสดาบันก็ได้ผลหนึ่งอสงไข่ดูสินานไหมถ้าให้พระสดาบันก็มากขึ้นไปอีก ให้พระสกิทาคามีก็ได้บุญมากขึ้นกว่าให้พระชวดาบันทำบุญให้กับพระอนาคามีก็ได้บุญมากขึ้นไปกว่าพระชวดาพระสกิทาคาได้บุญมากแต่ให้พระอรหันต์ได้บุญแก่พระเหนือกว่าพระเหนือกว่าพระชวดาบันเหนือกว่าพระสกิทาคา เนื้อกว่าพระอนาคาตา้กับพระอรหันถ้าให้พระกับพระอรหันและพระสัมมาสัมให้แก่พระอรหันตได้บุญได้บุญมากแต่ยังไม่มากเท่าให้กับพระพระปฏิกรพพุทธเจ้าให้พระปฏิกรพพุทธเจ้าก็ได้บุญมากกว่าพระอรหันต์ ส่วนได้บุญมากที่สุดก็คือถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสูงสุดเลยบุญกุศลนั้นเลิศเลยมีมากถ้าผู้ใดได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าอุปถากภพระพุทธเจ้าบุญของผู้นั้นมากมายตายแล้ว ไม่รู้เมื่อไรจะไลงมาเกิดในมนุษย์ น, นานแสนนานก็จะไดลงมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะสวยบุญอ น, นั้นต์อยู่ในสวรรค์นั่นแหละเป็นมนุษย์รู้จักกินจักทานรู้จักสร้างน้ำำนําทําบุญรู้จักสร้างคนงามความดีให้กับตนเองเรียกว่าเกิดมาเพื่อผลประโยชน์แก่มาทําประโยชน์แกเราเอง เรคิดว่าเราจะทําให้พ่อให้แม่เราทําให้เรานี่แหละเมื่อบุญมีแก่เราแล้วเราอุทิศให้พ่อให้แม่หรือให้บรรดาญาติมทั้งหลายก็ย่อมได้อั้องได้บุญอยู่แต่อาบุญ้มีอยู่ที่เราก่อนเรามีบุญก่อนกุศลคนบุญของเราต้องมีที่เราก่อนเราจึงอุทิศส่วนกุศล น, นั้นให้แก่คนอื่นได้นี่แหละว่าในเรื่องการ ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าขอาคำสอนของพุทเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มากมายเราเจะปฏิบัติทีละวันวั น, วนละขันธ์เราอยู่อายุร้อยปีก็ยังไม่หมดธรรมะของพระุทเจ้ายังไม่หมดยังมีต่อไปอีกมากมายกับก อ, องมีมากมาย ว่าการทําบุญทากุศลสร้างสมุนไพรความดีก็เป็นวิธีปฏิบัติชําระจิตให้บริสุทธิ์แบบหนึง่งเหมือนกันการรักษาจิตก็เหมือนกันการปฏิบัติภาวนาที่เราทําอยู่นี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจทําให้เต็มที่เราได้โอกาสดีแล้วเราได้โอกาสยอดเยี่ยมแล้วเราออกมาสู่ ป่าสู่เขาสู่สถานที่ห่างไกลความวุ่นวี่วุ่นวายใจเราก็สบายจิตเราก็เป็นสมาธิตั้งใจปฏิบัติให้มันละเอียดกว่านี้อีกให้มันได้สูงกว่านี้อีกนั่นแหละขอให้ตั้งใจคนจะได้สุขเลยความสําเร็จเนยะมาจากทานจากศีลจากภาวนาทั้งนั้น เพราะนั้นพูดเรื่องฐานก็พูดให้ฟังแล้วพูดเรื่องศีลพูดเรื่องภาวานาเาพูดไปตามลำดับนี่แหละท่านทั้งหลายฟังแล้วพิจารณาเอาอย่าท้อถอยในการตามความดีเรามีโชคแล้วเรามีลาภแล้วเราสุไดได้ความดีปานี้ึ่งได้มาฝึกปฏิบัติทางไกลความเจริญญาดวงก็ยังมาได้ตัวเป็นโชคของท่านทั้งหลาย ที่ได้มาปฏิบัติธรรมได้มาทำคุณงามความดีให้กับตนเองได้ไปสวดบุญส่งสวดแก่คนอื่นสัตว์อื่นเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจทําความดีเรื่อยๆไปคอยกําหนดดูลมหายใจเข้าออกในช่วงนี้เป็นช่วงปฏิบัติปฏิบัธรรมอยู่ขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่เราเกิดมายากจนเว่ า, เาะอะไรเพราะเราไม่ทําความดี ถ้เกิดมาแล้วไม่อดไม่อยากไม่อยากไม่จนก็เราความเดียวให้ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยในชาติอดีตด้วยอดีตเราก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรมาบ้างแต่ว่าปัจจุบันนี้ให้มันรู้ว่าเราทําบุญไว้แค่ไหนให้ทานไว้แค่ไหนรักษาศีลไว้แค่ไหนภาวนาไว้แค่ไหนถ้าเราพิจารณาแล้วเห็นว่าโอ้ทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเราทําไปนี่มันได้มากกควรจะภูมิใจ ควรจะทํายิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าทานก็ตามศีลก็ตามภาวนาก็ตามทําให้มันจนได้มากขึ้นเป็นพระรีบบุคคลถึงยุติกันแล้วจะปฏิบัติไปต่อไปจนถึงวันตายนนเราไม่ตกตามหลอกเพราะฉะนั้นแสดงทำมาในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมคนเก็บเวลาขอยุติลงเพียงตอนนี้ตั้งแต่ปฏิบัติต่อไป ลงมาเถิดเธอผู้เป็นวินยูชนไม่โอโอดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงเมื่อเราพร่ำสอนอยู่สแสดงทำอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งการปฏิบัติอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ต่อการไม่นานเลย นิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใ ด, ดที่ศาสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอนดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอ